ีวสต้ตาดีไ้ไันนีส ก, ก็เป็นแคสติกวาร้อยเป็นเิสเจ7กล่าวด้ยการไม่เดบกหลวงพ่อตะเคียนหลวงอย่างสูงมักกุเทศคำคำนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตโลกทั้งทางโลกและทางธรรมเธอขึ้นได้ต้นน่าสนใจในทางโลกลูกเป็นมักกุเทศนำคนท่องเที่ยวทั่วไทย ส่วนนางถามลูกก็เป็นมักคุเทศนำคนท่องวัดรรมคายมากหลายแต่ที่เด็ดก่อ น, นั้นภายในใจลูกก็มีองค์พระเป็นมักคุเทศส่องเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตไปสู่ที่สุดแห่งธรรมค่ะวัยเด็กลูกเกอเยอะไรมากดื่มเหล้าสูบบุหรีสูบกัญชาชอบหนีเรียนแล้วชอบไปขโมยผลไม้ของเพื่อนบ้านเป็นประจำเตรียมไว้ให้ดีทั้งฐานะทางบ้านก็ยากจน ที่ไม่จ้ะทําไมทำไมนี่เราถึงต้องรวยเนี่ยเพราะถ้ายากจนแล้นก็จะอย่างเนี้ยจะมีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ก็แห่งกรรมที่เราศึกษานี่ไม่ได้แปลว่าเราศึกษาแล้วจะทำให้เราเป็นคนอับเฉาเงาหงายหงอกอะไรอย่างนั้นเลทอแท้ชีวิตหรือปล่อยไปตามยถากรรมไม่สู้ชีวิตหรือหนีปัญหาก็ไม่ใช่นะ คือสอนให้เรียนรู้ว่าให้เข้าใจว่าเราพฤติกรรมของเรามีผลต่อวิบากกรรมไม่ว่าเราจะคิดพูดหรือทำเนี่ยล้วนมีผลทั้งสิ้นเราก็จะได้ไม่ทุกข์มากใ น, ในเวลาที่เราประสบทุกข์เราก็จะได้รู้ว่านี่เป็นเพราะวิบากกรรมของเรามาและหลังจากนั้นเราก็จะได้ใช้หลักวิชาในการสู้ปัญหาชีวิตที่มันเกิดขึ้น แบบมวยหลักอย่างนั้นแหละนี่คือตั้งหลักแล้วก็จะคิดหาทางออกอย่างถูกหลักวิชาไม่ใช่ไปดื่มเหล้าเรื่องการนันทเทิงผูกคอใต้อะไรอย่างนั้นเมื่อเวลาที่ประสบทุกเนี่ยมันจะนึกถึงน้ำมะฝึกใจใ ห, หยุดนิ่นงคือยอมรับว่านี่เป็นวิบากกรรมที่เราทําำเองไม่ใช่ใครทําเราทําเองไม่มีใครลิขิดหลักแล้วเราก็เจอเพราะฉะเมื่อเราทําเองเราก็ต้องแก้ พอเจอแล้วเราก็ก็ต้องอดทนอดทนแล้วก็สร้างความดีหนีกรรมไปทมความดีให้ทานรักษาสิ้นจเจริญเบานาพอฝึกใจหยุดนิ่งนิ่งตั้งหลักได้เดี๋ยวมันก็มีดวงปัญญาและกำลังใจเกิดเราจะรู้วิธีและกำลังใจอย่างมหาศาลที่จะแก้ไขปัญหาให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายไป แล้วเราจะรู้ว่าปัญหาบางอย่างแก้ได้บางอย่างก็แก้ไม่ได้ปัญหาไหนที่แก้ได้ก็จะแก้ไปแต่ปัญหาแก้ไม่ได้เราก็จะรักษาใจไว้ใสใๆไม่ให้ทุกข์ใจไปมากกว่า น, นั้นแล้วเราก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองเพื่อที่ว่าภบชาติต่อไปนั้นเราจะได้มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นกว่าพบนี้ชาตินี้ที่เราประสบวิบากกรรมหรืออุปสรรคของชีวิต นี่แหละจ่าอย่างน้อยมก็มีอานิสงส์ในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมแล้วจะทําให้เราเกิดฮีริเกิดอัตะปะละอายต่อการทําบาปด้วยตัวของเราเองไม่ใช่ว่าที่ไปทาําบาปเพราะกลัวกฎหมายหรือกลัวอะไรแต่ไ่ทำเพราะว่ามันเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราจะต้องรักษาคุณภาพของใจให้มันสูงส่งขึ้นเอาไว้จะเกิดความละอายด้วยตัวของเราเองแล้วก็เกรงกลัวต่อผลของบาปเพราะเรารู้ อยู่ความรู้ว่าถ้าเรามีพฤติกรรมอย่างนี้นี่อบายเป็นที่ไปซึ่งมีความทุกข์ทรมานอยู่ในโลกมนุษย์นี้กว่าโลกมนุษย์นี้มากมายนะเราก็จะอดทนต่อทนหิวความเบญจบัต่อสู้เอาชนะอุปสรรคไปได้ปัญหามีก็แก้ไปงานมีก็ทําไปบุญก็สร้างธรรมะก็หนังมันก็จะทํากันไปพร้อมๆกันนะจ๊ะลูกทำพฤติกรรมเช่นนี้จนพ่อและแม่บอกว่าไม่ไหวแล้วจะไปไหนก็ไปเถอะ ลูกอย่างนี้ไม่อยากได้แต่พอลูกอยู่ได้12ปีลูกก็กดปุ่มอ่านว่าอะไรเนี่ยรีเซ็ตรีเซ็ตเลยโ mm hmm. ปรกแกรมพฤติกรรมของตัวเองใหม่กลายเป็นคนละคนหันไปช่วยเหลืองานต่างๆของพ่อแม่เลิกดื่มเหล้าสูบบุหรี่ละกัญชาได้หมดและบอกลาการลักเล็กขโมยน้อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ mm hmm. แรงบันดานใจที่ยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนนิสัยของลูกในครั้งนั้นก็คือเสียง เราลองสันนิษฐานที่ว่าเสียงอะไรที่เปลี่ยนแปลงเธอเสียงสุดมนต์พระให้พรเสียงข้างในเสียงในใจคือเสียงเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงแต่เป็นเสียงที่ดังออกมาจากในตัวเหมือนเมื่อกี้เนี่ยชงตั้งสติเสียงผู้ชายจะเป็นเสียงผู้ใหญ่อายุราวสี่สิบปีมันดังอมาจากในตัว คอยมาเตือนเหตุการณ์ต่าง ๆ, ๆลูกหน้าแล้วคอยดุมะลูกทำผิด <c oughs> ส่วนเสียงผู้หญิงที่ดังมาจากตัวจะคอย ป, ปลอบประโลมมะลูกเสียใจ <c oughs> หัวใจที่อับเฉาก็ได้รับน้ำใสเย็นชโลมให้ชุ่มชื่นอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> มสมก็เป็นมักกุเทศเลย <c oughs> ตัวอย่างผลงานของเสียงเตือนจะเป็นความสามรารถพิเศษที่ซ่อนแอบ อ, อยู่ภายในก็เช่น <c oughs> ครั้งหนึง่ง <c oughs> เสียงนี้ได้บอกให้ลูกไปเตือนเพื่อนกลิมิตินแนะนลูกขาวัดว่า อีกหนึ่งอาทิตย์เขาจะถูกรถชนลูกจึงไปเตือนเขาจต่ในหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเขาก็ถูกรถชนจริงๆแต่ไม่เป็นอะไรมากอีกคร้าหนึ่งเศษนั้นก็นมาบอกกับลูกว่า <c oughs> เพื่อนของลูกซึ่งรับราชการสายงานเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงกระบบทใหม่เมื่อลูกไปบอกเขาเขาก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าบ้าหรือเปล่าเขาถามก็ถามเราก็ต้องตอบว่าไม่บ้า ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอันคำลำพึงตั่นแต่ในวันลุ่งขึ้น<ม>ที่ทำงานเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม่จริงๆเคยทุกคนหมุนเวียนงันทำงานยังมีอีกค่ะช่วงก่อนที่พ่อของลูกจะเสียเสียงนั้นก็มาเตือนว่าปีนี้พ่อคุณจะเสียชีวิตนะต่อมาลูกก็สูญเสียพ่อไปจริงๆด้วยรวเรามะเรงซึ่งเสียงนี้ก็ยังคงดังเป็นเสียงแห่งสายลมที่หวังดี อยู่ในใจลูกตลอดมาจนปัจจุบันนี้ย่าในตอนที่กระลัยมิตรมาชวนลูกเข้าวัดปฏิบัติเขาใช้เวลาถึงหนึ่งปีในการชักชวนชวนแล้วชวนเล่าฝาจะชวนจะลูกรําคาญตอบกลับเข้าไปว่าจะขอลองนั่งสมาธิสักสามวันแต่สามวันแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นก็นไป่ทำมาพูดกันแล้วแหละลูกก็ลองนั่งสมาธิเองที่บ้านโดยไม่รู้หลักเกณฑ์การนั่งเลย โดยชำระล้างร่างกายให้สะอาดจดุดทูบเทียะทิฏฐานตน้าหลวงพอ่อทวจวัดช้างให้ว่าธาวมบธรรมกาที่เขาแนะ น, นํามาเนี่ยเป็นวัดที่ดีโอทําไมเสียงขนาดนี้นะ <c oughs> ขอให้ลูกนั่งสมาธิเห็นภายในสามวัน <c oughs> แล้วขอให้ลูกได้รู้เรื่องราวของวัดธรรมธรรมกายด้วย <c oughs> แน่ขนาดนั้น <c oughs> วันแรกลูกนั่งสมาธิได้สิบห้นาทีลูกก็ ยังไม่เห็นอะไรวันที่สองนั่งสมาธิแล้ว <S <S ลู ก, กรู้สึกตัวเบาวันที่สามลูกนั่งสมาธิยังไม่ทันถึงครึ่งชงั่วโมงสิ่งที่ทําให้ลู ก, กรู้สึกทึ่งและชวนค้นหาคือลูกเห็นองค์พระสีทองเหมือนในบทพุดขึ้นมาในกล้าอ่นี่นี่ไป น, น, นี่ก็ไปรู้เรื่องอีกเหมือ่อไหร่ในกล้างพระลูกที่เห็นบอกว่าป ร, ร, รมกายเห็นหลวงพ่อและคุณยายด้วยอเมาหรือเปล่าทาั้งทด้ลูกยังไม่รู้จักองค์พระภายในโบทและหลวงพ่อกับคุณยายเลย เชาวันเริ่งขึ้นลู ก, กได้อธิบายลักษณะขององค์พระในบทพระธรรมกายหลวงพ่อและคุณยาให้เพื่อนฟังลูกจึงได้ไปเปิดดูภาพในวารสารกระเลมิตรก็เหมือนอย่างที่ลูกเห็นจริงๆนี่นี้เป็นจุดเริ่มตอนให้ลูกได้มาวัดต่อมาลูกได้มีโอกาสนั่สมาธิอีกครั้งจนลูกสามารถเข้าถึงองค์พระภายในได้องค์พระที่เห็นจะใสายสว่างมากสายยิ่งกว่ากระจกและสว่างเหมือนพระที่ตอนเที่ยงวัน องค์พระภายในจะบอกให้ลูกเอาใจจลดอยู่ที่ศูนย์กลางกายลูกมีความสุขมากที่สามารถคุยกับองค์พระภายในได้คะครั้นลูกจบการศึกษาพิชายก็ชวนลูกมาทํางานกับบริษัททัวร์นำเที่ยวแห่งหนึ่งลูกก็เลยเป็นมักกุเทศวันหนึ่งองค์พระภายในตัวบอกลูกว่ามาไปถึงที่ทํางานแล้วให้บอกวิชัยว่าวันนี้ไม่ต้องไปเอาเงินให้ตัวลูกเป็นคนไปเอาแทนลูกก็ทําตามนั้น ปกติลูกยาสลากกับพิชารเป็นคนไปเอาเงินที่เก็บไว้ในโรงแรมแห่งหนึงน่งในจากบริษัทของโลกชาวบ้านคนอื่นอยู่แต่เก็บเงินไว้ที่บริษัทจะไม่ปลอดภัยสิ่งตุ้งเช้าราวหกโมงสบห้านจะต้องไปเบิกเอามาใช้พอลูกไปเบิกเงินแล้วเดินออกมาถึงหัวโคกก็บพบคนร้ายเอาปืนมาจี้เอวแล้วบอกให้ส่งเงินมาบอกคุณคนดีรีบเอาเงินออกมา บอกไปทํางานทําการบางมั้งนี่คืองานของผมอ ม, มันก็ต้องชี่ยวเชีว ค, คุณผู้ร้ายการุณาอาปืนออกเงินเนาะชียวเชวคนร้ายเอปืนมาจี้เอวแล้วก็บอกยส่งเงินมาลูกก็ไม่ยอมส่งเงินให้เราหาเกือบตายอยู่ๆก็จะมาของ่ายๆก็เอากระเป๋าใส่เงินควายไ้ข้างหลังคนร้ายก็บอกให้ลูกส่งเงินมาดีๆลูกก็ยังไม่ยอม ครายจงใช้ปืนลูกซองจ่อยิงเอวด้านซ้ายของลูกรกระสุนกระจายมาเกือบยี่สิบนัดลูกล้มลงแล้วมือซ้ายปิดตรงช่องเอวทีว่ถูกยิงแต่กลับไม่รู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างใดหนังไรแน่นี่ในตอนนั้นลูกได้ยินองค์พระบอยลุกขึ้นลูกตอบกลับไปว่าหนูไม่ลุกเพราะหนูกลัวเลือด แต่มันไมีใคยตบหน้าลูก ห, หันไปดูเอที่ถูกยิงลูกก็หันขวับไปลูกกอดว่าไ ม, ม ไ, ไม่มีเลือดเลยลูกจึงลุกขึ้นสู้ใจดีสู้คนร้ายมือซ้ายก็ปัดถูกมือคนร้ายต่ให้ปืนตกลงพื้นแล้วก็เด็นมาทางลูกลูกจึงหยิบปืนขึ้นมาพูดจะยิงคนร้ายลูกใครโหดกกันลูกกอดว่าคนร้ายวิงว่งหนีคนร้ายวิ่งหนี ปืนไม่มีกระสุนเพราะยิงไปหมดแม็กแล้วขอร่าจึงหนีไปพร้อมกับกระเป๋าที่มีเงินอยู่แสนกว่า บ, บาทส่วนกระเป๋าใบที่มีเงินอยู่ห 0,000 กว่า บ, บาทลูกแย่งกลับมาได้ตารวจแปลกใจมากที่ลู ก, กรอดชีวิตมาได้อย่างไรเพราะกระสุนปืนทะลุฝาผนังปูนเต็มไปไมหมดตารวจถึงกับต้องช่วยกันงัดกระสุนที่ฝังในผนังออกเพื่อนําไปพิสูจน์หลักฐานแต่ตัวลูกไม่เป็นอะไรเลยมีเพียงแค่อรอยแดงและคราบขมอปืนตามตัวเท่า น, นั้น โออาศจรรย์พระในตัวช่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่เหนือจินตนาการจริงๆลูกไปวัดเรื่อยๆจะได้พบคุณยายครั้งแรกทันถึงก็เดินเข้ามากราบลูกแล้วพูดว่าลูกสาวยายกลับมาแล้วไอ้เยอะกยายจะไปจากวัดนะทันแนะไห้ทําน้ำให้คิดล็กคิ ด, ดตัวเองอืมแต่ลูกกลไม่ได้ทําตามที่ทันแนะนําในใจยังเป็นห่วงเรื่องคดีความอยู่หลังจากที่ลูกได้คำสั่งไม่จากคุณยายลูกก็พบเจออุปสรรคมาตลอด จะต้องออกจากบริษัททัวร์ไปหางานใหม่ทําแล้วยังมีปัญหาอื่นๆเป็นโซ่พัฒ น, นาการอารอบตัวลูกหยุดซ้ําแล้วซ้ำเล่าต่อมาลูกกลับไปวัดอีกและก็พบหลวงพ่อหลวงพ่อนั่มนั่งสมาธิองค์ไหนก็ไม่รู้เนี่แล้วชี้มาทางลูกพูดว่าลูกจะต้องเป็นคนนาสาธุชนเข้าวัดในอนาคตลูกจึงเถียงหลวงพ่อองค์นั้นไปว่าเป็นไปไม่ได้แล้วคะ่ะลูกตัวเล็กนิดเดียวลูกจะนําคนเข้าวัดได้อย่างไรพูดไปก็คงไม่มีใครเชื่อลูก แต่หลัจงจากนั้นลูกก็ได้มาเป็นมักกุเทศแล้วก็ได้เชิญชวนคนชาวต่างประเทศจํานวนมากมาทําบุญที่วัดตามที่หลวงพ่อองค์นั้นบอกจริงจริงและทุกครั้งที่นําทัวร์ลูกจะพาลูกทัวร์เข้าวัดเพื่อพวกเขามีความเข้าใจในบุญมากขึ้นค่ะสำหรับงานบุญใหญ่แสนแสนองศาแสนปลืม้มลูกก็ได้ทำหน้าที่ชวนคนสร้างองค์พระวันไหนที่ลูกไปเีนั่งสมาธิแต่ลูกออกไปชวนคนสร้างองค์พระจะไม่สำเร็จเลย จะตะวันไหนลูกนั่งสมาธิน้อมคนเรานั่งคำวทีิศูนย์กลางกายเมื่อเอาไปชวนคนสร้างองค์พระจะสำเร็จทุกรายจึ่งก็ได้หนึ่งร้อยกว่าองค์แล้วค่ะ<า>พองลูกตอนนี้ท่านยังมีชีวิตยอยู่ท่านจะผิดสินข้อสามมากที่สุดเพราะท่านชอบมากเลยต่อมาท่านกระด้ล้มป่วยเป็นโรคมะเรงลูกอันดะชุติดป่วยก็มีกะมิพราะนะนาให้ท่านทาบุญ หากนัอาการทั้งของพ่อก็เริ่มสุดหนักลงตลอดเวลาลูกได้นั่งสมาธิและอธิษฐานว่าจะให้พ่อต้งทนทุกทรมานเลยแต่จะจากไปกขอให้จากไปอย่างสงบและตั้งแต่จา ก, กไปด้วยอาการสงบจริงๆพี่สาวันที่สามและพี่ชายคนที่สี่ของลูกซึ่งเป็นฝาแฝดกันชจ้าแม่เด็กอายุราวเจ็ดแปดขวบขอที่ฐานะทางบ้านยากจนต้องไปอาศัยอยู่กับยายเดินํากระถงของยายลงมาเททิ้งข้างล่างแล้วก็เด สะดุดหกล้มตกบันไดกลิ้งลงมาทั้งสองคนพออยุด้สิบกับขวบปีศาจและปีชาก็เริ่มมีการผิดปกติทางสายตามาโดยตลอดไม่สามารถมองเห็นด้านข้างได้ต้องมองตรงอย่างเดียวตอนกลางคืนจะมองไม่เห็นเลยต้องมีคนจูงตลอดแพทย์ระบุว่าเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมแล้วก็มีโอกาสที่จัดตาบอดสูงคาถาม ทำไมในวัยเด็กลูกทังมีนิสัยเกเรดื่มเหล้าสูบบุรีสุบบุหรีชอบหนีเรียนและเจ้ไปขโมยผลไม้เพื่อนบ้านเป็นประจำคะกรรมนี้จะส่งผลในอนาคตอย่างไรและจะแก้ไขได้อย่างไรคะเสียงผู้ชายและเสียงผู้หญิงที่ลูกได้ยินเกิดขึ้นได้อย่างไรเขาทั้งสองคือใครมีความเกี่ยวข้องกับลูกอย่างไรเสียนั้นบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ถูกโดยบังเอิญหรือถูกจริงๆคะแต่จริงเขาสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ อย่างไรเพราะเหตุใดมืลูกนั่งสมาธิครั้งแรกจรึงสามารถเห็นน่งพระประธานไปในโบสถ์เห็นหลวงพ่อและคุณยายทั้งที่ลูกก็ไม่เคยไปวัดพระธรรมกายมาก่อนเลยคะมิบากรกรมใดที่ทําให้ลูกถูกยิงแต่ตัวลูกไม่เป็นอะไรเลยเป็นเพราะองค์พระภายในช่วยใช่หรือไม่คะและทําไมองระถึงมาบอกให้ลูกให้ไปเอาเงินที่โรงแรมแทนวิจารคะ่ะลักวิชาหนังเหนียวที่ผู้กวิทยาธรใช้ป้องกันกระสุนปืน ตาับอนุภาพพระธรรมกาอย่างไรคะทําไมคุณยายถึงทักลูกว่าลูกสายยายกลับมาแล้วให้อยู่กับยายอย่าออกไปจากวัดคําพูดของคุณยายหมายถึงให้ลูกเป็นอุบาสิกาว ท, ที่วัดใช่หรือไม่คะและการที่ลูกเจออุปสรรคต่างๆในชีวิตเกี่ย ว, ยวข้องกับการที่ลูกได้ขัดคําสั่งคุณยายหรือไม่ลูกคุณยายมีสายบุญร่วมกันมาหรือไม่อย่างไรคะทําไมหลวงพ่อองค์นั้นจึงทักลูกว่าลูกจะสามารถนําคนจํานวนมากเข้าวัดในอนาคต ลูกมีอาชีพเป็นมัคคุเทศชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัดลูกจะได้รับอเนสงผลบุญอย่างไรบ้างบางครั้งลูกตัง้งพานักท่องเที่ยวไปตามวัดและศาลเจ้าต่างๆเพื่อไปอาบน้ำมนต์ขอโชคลาบดูดวงเป็นต้นนั้นแต่ที่ลูกก็ไม่ได้เต็มใจลูกจะได้รับอิบา ก, ก์กับนิติตตัวหรือไม่อย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรคะและทำไมงานที่ลูกทําอยู่จึงเจออุปสรรคทุกครั้งที่งานกําลังจะไปได้ดีจะแก้ไขได้อย่างไรคะ วิบากกรรมใดทำให้พ่อป่วด้วยโรคมะ เ, เม ร, ร็งลูกกันดะก่อนตายท่านมีกตินิมิตอย่างไรท่านตายแล้วเป็นไหนมีอะไรฝากบอกตัวลูกหรือไม่คะและก่อนที่พ่อจากไปได้วยการส ง, งบเกิดจากแรงอธิษฐานของลูกหรือบุญเก่าของท่านคะวิบากกรรมใดที่ท้ายวิสาและพิชาฝาแฝดถึงได้ตกบันไดพร้อมกันและมีอาการจอประสาทตาเสื่อมเหมือนกันและในานาเขาทั้งสองคนจะตาบอดหรือไม่และจะแก้ไขอย่างไรคะ ลูกและเพื่อนกันมีคนแรกมีความผูกพันกันมากเพราะบุญใดที่ทำได้ทำร่วมกันมาแต่วิบากรรมใดที่ทำให้ต่อ ม, มาต้องมาไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นจึต้องแยกกันสร้างบารมีจะแก้ไขได้อย่างไรคะก็ดีกันซะ ก, ก็แค่นั้นแหละเขาไม่คุยกับเราล้วก็ไปคุยกับเขาก่อนแต่โลกมีมนุ์เสนส่อสำหรับผู้หญิงมากคะ่ะสงสัยแหละ ขนาดที่ทำให้ผู้หญิงทะเลาะกันเรื่องลูกมาหลายอะไรแล้วสงสัยเกิดจากวิบากกรรมใดคะสาเหตุใดเพราะเหตุใ ด, พ, ดพวกเขาถึงมีความรู้สึกรักและหวงลูกคะสงสัยแล้วสงสัยลูกปวดหลังมากมีผลการนั่งสมาธิงลูกมากลูกรักษาด้วยวิธีกต่งตางๆมาม า, มากมายก็ไม่หายหมดเงนินไปเกือบล้านบาทแล้วคะ่ะเป็นเพราะวิบากกรรมใด จะแก้ไขได้อย่างไรคะเมื่อพุทธนานติพานมารู้ติสร้างบรมีกระหมูขะหรือไม่มีหน้าที่อย่างไรในกางทัพธรรมและมีผลการปฏิบัติธรรมนอย่างไรลงมาสร้างบรมีกี่รอบคะจำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้รับตาฝันมันตรงไมตาเตือนขึ้นมา แลก็นำมาไลาฟังเป็นนิยายปา ร, รามรากันจ้ไวัเด็กตัวลูกมนิสัยเกเรดื่มเหล้าสูบุรีสูบกัญชาชอบหนีเรียนชอบเนิสัยไปขโมยผลไม้เพื่อนบ้านเป็นประจำพระกรรมแนวอดีตมีเชื้อคบคนพานเป็นนิสัยติดตัวข้ามชาติมาจ้าการกระทำนี้จะทําให้มีวิบากกรรมโดยย่อคือ จะทำให้มีเชื้อไม่ฉลาดมีสติปัญญาน้อยกระทั่งเป็นบ้าบ้าปัญญาอ่อนได้แล้วก็จะยากจนจะอยู่ในหมู่คนพานมีของก็จะถูกขมโมยเป็นต้นเจ้าจะแก้ไขก็ต้องสร้างบุญทบุญทั้งทางนศีลภาวนาให้มากๆากเราติดฐานจิตให้วิบากกรรมเหล่านี้ตามไม่ทันเจ้า เสียงผูชายและเสียงผู้หญิงที่เราได้ยินออกมาจากในตัวเกิดขึ้นได้นั้นผมอัตติวาเป็นญาติบุญในตัวบุญเกิดการฝึกสมาธิเสียงผูชายและเสียงหญิงที่ลราได้ยินออกมาจากในตัวเกิดขึ้นได้นั้นก็เป็นบุญวาสนาการที่ในอดีตเคยฝึกสมาธิแบบวิทยาธร และเรียนวิชาพลายกระซิบจึงทำให้มีอุปนิสัยและความคุ้นเคยเดิมๆติดตัวมาออแต่ความจริงไม่มีผู้ชายผู้หญิงคนไหนจ้ะออวิชาพลายกระซิบออติดตัวมาออมักจะเกิดตอนที่ใจสบายๆเพลินๆจ้ะ เ, ออเสียงที่บอกให้การล่วงหน้าทด่ถูกนั้นก็เป็นเรื่องบังเอิญ ละหลายๆครั้งก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่ลูกไม่ได้เล่าให้ฟังจ้าให้ลูกสังเกตดูอย่างนั้นก็อย่าไปติดยึดติดเลยจ้าเมื่อลูกนั่งสมาธิครั้งแรกได้เห็นพระประธานในโบสถ์เห็นหลวงพ่อและคุณยายทั้งๆที่ไม่เคยมาวัดพระธรรมกายเลยนั้นเพราะบุญที่เคยธรรมกมุคณะและมหาปูชนียาจารย์มาส่งผลจ้า ลูกถูกยิงแต่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะวิชาวิทยาธรรไม่มีกรรมไม่มีกรรมปานาลูกถูกยิงแต่ไม่เป็นอะไรเลยเพราะกรรมในอดีตตัวลูกก็เคยไปขู่ยิงทำร้ายผู้อื่นโดยยิงเฉียดไม่ได้ทำให้เขาตายมาส่งผลให้โดนยิงเฉียดบ้างใช่ อีกทั้งองค์พระภายในกระโจยกลมครองด้วยใชะเขายิงเฉียดๆถึงไปที่ผนังไงถ้าเขาไม่ยิงเฉียดๆแล้วก็เพราะกรรมของลูกที่ไปเคยยิงเฉียดคนอื่นเขาอะไปขู่เขาเสียงที่ลูกได้ยินว่าให้ไปเอาเงินที่โรงแรมแทนพี่ชายนั้นก็เป็นเพียงความรู้สึกของตัวลูกเองด้วยวิบากรรมดังกล่าว ไม่ใช่เสียงขององค์พระจ้่มวิบากกรรมที่ไปขูยิงทำร้ายผู้อื่นโดยยิงเฉียดนั่นแหละบันดาลให้มีเสียงได้ยินอย่างนี้เพื่อจะได้ไปเจอเหตุการณ์เดียวกับที่ตัวเคยทำไว้เป็นภาพในอดีตของลูกกันแหละหลักวิชาวิทยาศานตร์ที่ทำให้หนังเหนียวป้องกันกระสุนนั้นก็เป็นเรื่องของครองคาถาครูบาคสมาธิคาถาแล้วก็ครูบาจารแล้วก็มีสมาธิ คาถาครูบาสมาธิยิ่งเรียนยิ่งฮึกเฮิมหลงตัวเองมันแน่จะทำให้ไปเป็นนักเรียนอันตพานต่างๆได้จ้ะส่วนอนุภาพของพระธรรมกายนั้นก็เป็นอนุภาพแห่งบุญและธรรมะที่รักษาผู้ปะพฤรรมยิ่งเรียนยิ่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นคลายความมานะถือตัวไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นจ้ะถึงคุณยายทักลูกว่าลูกสาวยายกลับมาวัดแล้วให้อยู่กับยายอย่าออกไปจากวัดนั้น หมายถึงให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะจะได้หลุดออกไปแต่ไม่ถึงกับให้ลูกมาเป็นอุบาสิกากลายเป็นกองเสบียงจ้ะเป็นอุบาสิกาเป็นกองเสบียงดีแล้วลูกการที่ลูกเจออุปสรรคของชีวิตก็เป็นเรื่องวิบากกรรมส่วนตัวของลูกไม่ใช่เป็นการขัดคำสั่งคุณยายดังที่ตัวลูกเข้าใจจ้ตัวลูกก็มีสายบุญร่วมกับคุณยายและหมู่คณะมาจ้า ที่หลวงพ่อองคนั้นกล่าว ก, กับลูกว่าลูกสามารถนําคนจานวนมากใครมาเข้าวัดนั้นก็เพราะเป็นบุญองลูกที่จะต้องชักชวนคนนําความดีต้องมีหน้าที่ไปรวยไปเป็นกองสเสบียงใชะเราเป็นมรดกแท้ชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัดนั้นจะมีอานิสงส์โดยย่อคือจะมีบริวารสมบัติติดตัวไปจะทําให้มีพักพวกที่ดีที่จะเกื้อหนุนในการสร้างบารมีของตัวลูกเป็นต้นจช่เพราะลูกชวนเขา มาศึกษาเรื่องความดีมาสู่กระแสแหล่งแห่งความดีว่างครั้งลูกต่างนำ้ำน้องเทียไปอาบน้ำมนต์ขอโชคลาบดูดวงตามวัดและสารเจ้าโดยลูกไปเต็มใจนั้นก็จะทำให้มีเชื้ออยู่ในวงจรของสิ่งที่ไม่ใช่พ ร, รัตนายจางานที่ลูกกำลังกระทำอยู่พอกำลังจะไปได้ดีมักเจออุปสรรคนั้นก็เพราะตัวลูกสร้างบุญมาไม่ ส, m, สม่าเสมอจ้ะ บางทีก็ทำเต็มที่บางทีก็ทำเต็มทีบางทีก็ทำเป็นทีทีบางทีก็ทำตามอารมณ์จะแก้ไขให้สั่งสมบุญทุบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและสม่าเสมอและติดฐานจจตพจนจากเชื้อ ว, วงจรที่ไม่ใช่พรารตะนาตรายไล่ประสบความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจการงานจ้ะพ่อปุ๋ยด้มาเรงที่ลูกอันดพราะกัมปานาติบาศาสัตตมหาร มรวคกรรม ก, ก, การเมจอชูในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลเจ้าก่อนตายใจก็ไม่หมองไม่ใส่ตายแล้วก็ไปเป็นภูมิทวาระดับทั่วไปได้บุญที่ลูกได้ให้ทําในช่วงสุดท้ายมาส่งผลก่อนวิบากกรรมต่างๆจึงทําให้ยังไม่ไปอับายเจ้าได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทําให้ท่านมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้าน ไม่ว่าอาหารการกินที่อยู่อาศัยเสื้อป่าเป็นต้นเดชฝ้าพระบอกว่าถ้าไม่ได้ตัวลูกชวนทําบุญก็คงจะไปไม่ดีแล้วจึงฝากอนุโมทนาขอบคุณมาเจ้าการที่ท่านจากไปอย่างสงบเพราะบุญที่ลูกดิถิทำและอธิษฐานจิตกับบุญที่ลูกชวนให้ท่านมาทมาํามากับบุญที่ลูกชวนให้ท่านทำมารวมส่งผลเจ้าพิสาและพิชายฝาแฝดตกบนได้พร้อมกันและมีอาการจอบประสาทตาเหมือนกันเพราะ ทำกรรมร่วมกันแกล้งคนอื่นทําคนให้ตาบอดแล้วกำเนิดดิพิสากับพิชัยก็เป็นพี่น้องกันได้ทะเละกับเด็กเพื่อนบ้านที่มาเล่นด้วยที่บ้านจึงช่วยกันผลักเด็กคนนั้นตกบันไดไปเป็นเหตุให้เด็กคนนั้นจอบประสาท ต, ตากระทบกระเทือนคล้ายๆการที่พิชัยพิสาฝาแฝดเป็นจ้ะ จะแก้ไขก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญเพราะว่าโรคนี้เกิดจากวิบากกรรมทำบุญทุกบุญ ท, ทั้งชาติศีลภาวนาให้มากๆสม่ำเสมอและติดสานจิตบุญนี้ไปตัดอ ร, รอนวิบากกรรมดังกล่าวอีกทั้งให้รีบไปหาจาักสุแพทย์ประจานาญรักษาด่วนก่อนที่จะเสื่อมไปมากกว่านี้ก็มีสิทธิ์หนักเป็นเบาเบาเป็นหายจ้าลูกและเพื่อนกันเลยมิตรคนแรกมีความรักและผูกพันกันมากเพราะเคยเป็นกันเลยมิตรเกื้อกูลกันมาในอดีต ต่อมาแยกกันสร้างบารมีเนื่องจากไม่เข้าใจกันเพราะความเสน่ห์แรงของตัวลูกและหัวใจลูกมีมากห้องมากกว่าสี่ห้องแหละความเสน่ห์แรงของตัวลูกและความที่หัวใจลูกเนี่ยมีมากห้องแต่ถึงอย่างไรก็ยังมีเยื่อใยไมตรีค้างคาใจอยู่จะแก้ไขก็ต้องเริ่มแก้ไขที่ตัวลูกก่อนโดยลูกตั้งใจมั่นว่า ลูกจะเป็นแค่กัลายาณมิตรกับทุกคนและจะไม่ให้เกินเลยไปกว่านั้นโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันจะไม่โปรยสเสน่ห์และก็มันสั่งสมบุญทุบุญให้มากๆเจ้สเสน่ห์แรงหวัวใจมีมากข้องตัวลูกมีมลเสน่ห์สำหรับผู้หญิงจะเป็นเหตุให้ทะเลาะกันหลายอะไรนั้นแล้วก็นในอดีตสมัยเป็นผู้ชายก็มีกรมกรมกาเมเจ้าชู้ กรรมจะชูหลายๆชาติน่ะมารวมส่งผลพร้อมกันให้มาเป็นอย่างที่ตัวลูกกำลังเป็นในปัจจุบันนี้แหละเจ้า <c oughs> เป็นกองสเสบียงอดีแล้วลูก <c oughs> อีกทั้งมักจะอธิษฐานข้ามชาติมาว่าขอให้มีมนสเนศสำหรับผู้หญิงมาส่งผลเจ้ <c oughs> ทติผู้หญิงบางรายรักและหวงแหนลูกกระเพาะผู้หญิงแต่ละคนนั้นก็มีวิบากกรรมกามเมเจ้าชู้เหมือนกัน <c oughs> จึงดึงดูดลูกก็ไปรู้ว่า เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย <cool ass> เข้าหากันเพื่อสร้างกรรมใหม่ร่วมกันอีกเจ้า <cool ass> ผู้หญิงนั่นก็มีกามการ ม, มีเจ้าชู้ส่วนลูกก็มีกรมการมีเจ้าชู้เสน่ห์แรงหัวใจมากห้องแล้วก็พิลึกกึอกเืออย่างนี้เลยจึงดึงดูดเขหากันเพื่อสร้างกรรมใหม่ร่วมกันอีกจ้าครูวิจัยนึกไม่ออกนึกไม่ออก มันเป็นยังไงนะลูกปวดหลังมากรักษาหมดเงินไปมากมายแต่ก็ยังไม่หายเพราะกรรมในเ ด, ด็กเคยใช้สัตว์บรรทุกของมากเกินไปเช่นใช้ลาล่าบรรทุกของเป็ตนปต้นมาร่วมทรงผลจะจะแก้ไขก็จังสมบุญทุกบุญทั้ทงทานศีลภาวนาโอ้ตัวลูกนี่ทำไมกรรมเยอะจังไปสัตว์ไปปาลาโลทิดบุนีสัตว์ศัตรลูกเคไปเบียดเบียนเขาไว้บ่อยๆจะเห็นไหมเจ้าพฤติกรรมของคนนี่ไหม มันมีผลเป็นวิบากกรรมไปในภพ บ, บึง น, นี่ไงเมื่อพุทธัญญาที่ผ่านมาตัวลูกน่ะเป็นกุนลบุตรเป็นนมรูปรอแล้วมีความชอบอย่างมากคือชอบอยู่สิ่งหนึ่งที่มากที่สุดคือชอบเจ้าชู้แต่เป็นกองสเสบียงของโมคณะมาประเภททำบุญตามอารมณ์เวลาทำก็ทำเต็มที่เวลาไม่มีอารมณ์ก็ทิ้งเลย ได้มีผลการปฏิบัติธรรมได้เห็นองค์พระเสด็จใส่โชคอย่างดีนี่เอาตัวรอดกลับดุสิตบุรีได้นี่เพราะว่ากำเจ้าชูยังไม่มีโอกาสได้ทรงผลนี่องค์พระสา ย, สยเอาตัวรอดกลับไปก่อนในเรามาสร้างบรารมีอ่าบอกได้ตอนนี้ได้รอบเดียวแจ่แต่นัชชาเนี้ต้องรีบแกนิสัยที่ชอบโปรยเสน่แรงสําหรับสาวสายหมดไปเสียโดยลูกต้องหักดิบตัดใจให้ได้เนี่ย ฉะฉนั้นก็มีสิทธิ์อยู่แถวอยู่แถว First Class ชั้นหนึ่งชั้นจะตุมหาราชิกาซึ่งมีพวกหนักยักคนนั้นครุดดิ่นะมีพวกชอบรถที่ยอมอย่างนี้มากมายเลยลูกโอีกในยัตธรรมมินิซีรีส์มาให้ดูรถยอมพวกนี้นี่พลึกเกือกกว่ามนุษย์อีกพุทธันดาทิพามาได้กลับดุสิบุรีแลวลงมืองร้ำเลยมีได้รอบเดียวก็ดีถมไปแล้ว ชาตินี้ต้องกลับไปให้ได้กันแล้วกันเอาอีกกว่าลูกนร่จะได้แถมเพิ่มขึ้นชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติดฐานจิตตามติดวิธสศีลปุรีวงบนพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ า, า ท, ที่ก็เป็นเรื่องราวของเคสต์ดีสั้นๆ ส, ส, สำหรับคืนนี้